พุทธวัตรสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเรามากับพุทธวัจนะเพื่อนําความสวัสดีให้กับทุกๆ ท, ท่านที่มีโอกาสได้เข้าถึงคําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารายการนี้สรสนีสนทนาดําเนินรายการโดยดิฉันสันสนินาคพงศ์อยู่ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์หนึ่งมีให้ฟังกันจันทร์ถึงศุกร์วันละครึ่งชั่วโมงค่ะเริ่มต้นรายการกันเลยนะคะกับการปฏิบัติธรรม แล้วก็ฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระมาร์คชาคาวโรวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบค่ะนำมัส ก, การก่ะท่านคะเจริญพรวันนี้เราก็มาปฏิบัติเจริญอานาปานสติทําความเพียนเผาเกลียกันต่อพร้อมทางฟังพุทโธชนะคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเรื่องของขันหถ้าพร้อมแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติกันได้เลย เราก็มาเจริญอาณาปานาสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นออกสั้นรู้หากจิตรลุดไปคิดในเรื่องใดก็ตามให้ให้รีบวางความคิดนันเสียแล้วมีสติรู้อยู่กับลมหายใจหรืออิริบทอื่นๆของร่างกาย วันนี้จะให้ฟังพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงขันธ์ห้าอีกวันหนึ่งโดยท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในโลกนี้มีสิ่งใดๆบ้างไหมหนอที่เมื่อเรายึดถืออยู่เราจากเป็นผู้หาโทษไม่ได้ดังนี้ อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเรายึดถืออยู่เราจักเป็นผู้หาโทษมิได้ดังนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเมื่อยึดถือ ก็ยึดถือซึ่งรูปนั่นเองซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณนั่นเองเพราะความยึดถือหรืออุปาทานของเรานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนนต์อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา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 อย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาริยสางวกวผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารทั้งหลายแม้ในวิญญาณอาริยสาวกนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความพอใจเพราะความคลายความพอใจย่อมหลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์เราอยู่จบแล้วกิจที่คนรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้แล <c oughs> ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้บอกให้เราเลิกที่จะยึดถือในขันห้าทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงมีความแปลกปรวนไปเป็นปกติให้เราบันเห็นสิ่งเหล่านี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่ น, น, นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตวนของเราเมื่อเราบันเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นขันห้าเหล่านี้ว่าไม่ใช่ตัวตวนของเรา ด้วยการละความเพลินแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดกความคลายความพอใจและจะนำไปสู่การหลุดพ้นของจิตได้พระพุทธเจ้าก็ให้เราบันรามฝึกทมไปเรื่อยๆทีละนิดละนิดสำหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาใครจะอยู่ในสมาธิ ต่อไปก็ได้หรือว่าใครจะออกจากสมาธิเพื่อฟังในช่วงถัดไปก็พึงทำได้สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาปฏิบัติทำความเพียรกันต่อท่านจังค่ะยึดถือนี่คืออุปทานใช่ไหมคะใช่ถูกต้อ ง, องค่ะไม่มีอะไรที่เรายึดแล้วไม่มีโทษพระพุทธงตรัสอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราค่ะเราก็จะไปคิดว่าสิ่งภายนอกนั่นแหะเรายึดถือแต่แต่จริงๆแล้ว <c oughs> ตัวเราเองเนี่ยแหละเรายึดถือตัวเองมาตลอดว่าเป็นของเราค่ะก็ทําความเข้าใจเสียจะได้เบื่อหน่าย<ช>จะได้ละความพอใจแล้วก็จะได้หลุดพ้นใช่วันละนิดวันละหน่อยนะคะไปทําเองต่อ <c oughs> <S <S <c oughs> ภายใต้มรรคพิธีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแหละคะ่ะต้องบอกได้เลยไหมคะว่าทําเท่านี้ก็ไปพระนิพพานได้ใช่ถูกต้อง ทีละนิดละนิดค <c oughs> <c oughs> ่ะคงจะต้องต่อกันสัปดาห์หน้านะคะท่าน <c oughs> วันนี้นำมัศ ก, การขอบพระคุณพระมาร์คชาคาวโรวัดนาปะาพงลำลูกกาคลองสิทธิ์ไว้นะโอกาสนี้นำมัศการคัะท่านคะเจริญพร